พระเจ้าพระไพ่บูนมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันมาทําหน้าที่ของความเป็นสมณนะโดยการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งถึงที่สุดสิ่งที่จะต้องให้ฟังนั่นคือธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วสแสดงไว้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งแม้จะพูดถึงคำว่าปัญญาอันยิ่งเนี่ยท่านผู้ฟังมันยิ่งยวดจริงๆ นั่นคือบำเพ็ญบารมีต่างๆศึกษาหาความรู้ทดลองแบบนั้นแบบนี้เพื่อที่จะให้ได้ความรู้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนืยิ่งในที่นี้คือนำไปสู่สิ่งที่ดีเลิศยิ่งกว่าสิ่งอื่นและวิธีการที่นำไปนั้นก็ยิ่งกว่าอย่างอื่นนั่นคือยิ่งทั้งโดยวิธีการยิ่งทั้งโดยสิ่งที่ไปถึงยิ่งทั้งโดยตัวมันเองที่เป็นของบริสุทธิ์ยิ่งทั้งผู้ที่กระทํามาประพฤติ ก็าะทำให้ตัวเองนั้นเป็นผู้ที่ยิ่งยวดขึ้นไป น, นี้คือด้วยปัญญาอันยิ่งในเวลาที่จะมาอธิบายขยายความสิ่งที่มันยิ่งอย่างนี้แล้วเนี่ยมันยิ่งจะต้องใช้ความรู้ความสามารถมากบางทีข้าพเจ้านี่ก็แสะตรงนั้นแกะตรงนี้นั่นคือตามหลืบสมองของตัวเองนี่แหละเพื่อที่จะเอาเรื่องมาพูดวิเคราะห์ตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ให้เห็นถึงความแจ่มแจ้งถึงที่สุด แต่ซึ่งเป็นหน้าที่ของสมณะบางทีก็องค์ใครโกรวนพิจารณาก่อนนะศึกษาจากตำรานั้นตำรานี้ เ, นเพื่อให้มีความแจ่มแจ้งขึ้นได้ทําไมถึงต้องมาทําความแจ่มแจ้งให้เพราะว่าเป็นหน้าที่เอา้าแต่คําสอนของบุรุษเจ้าก็บริสุทธิ์บริบูรณ์มีความละเอียดพิสดารอยู่แล้วนี่นแหละคือประเด็นที่ว่าในความละเอียดพิสดารที่บุรุษเจ้าสอนไว้นั้ น, น่ะ มันก็ยังมีที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกแต่เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงว่ากายนี้เป็นของนอเน่าเปื่อยกายนี้เป็นของไม่สวยงามถ้าคนธรรมดาที่เขาไม่เคยฟังธรรมนี่เขาฟังคํานี้ว่ากายเป็นของนอเน่าเปลือยเป็นของไม่สวยงามให้ดูรูปในหนังสือแมกกาซีนดูโฆษณาตามทีวีขายเครื่องจำางแม่มีตลอมีแต่สวยฮะไม่เห็นความไม่สวยงามตรงไหนแต่ตรงนี้ก็ต้องมาอธิบายกันให้ฟังเหลือหรือ ว, ว่าแม้แต่สับแสงการใช้ภาษาซึ่งพระพุทธเจ้านั้นพูดภาษาบาลี เราฟังภาษาบาลีไม่รู้เรื่องก็เหมือนกับฟังเสียงอะไรสักอ ย, อย่างหนึ่งไม่ได้ความหมายไม่ได้เข้าใจก็จึงต้องมาพูดกันอธิบายกันในรูปแบบภาษาหรือการใช้ภาษาหรือว่าในการพูดคุยที่จะทำให้เรามีความเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าสอนนั้นอย่างแจ่มแจ้งถึงที่สุดที่สุดของความสามารถแต่ละคนแหลนอยู่ที่ลืบสมองมันมีมากมีน้อยก็แทะก็แกะก็เอาเรื่องราวต่าง ม, มาพูดกันกัแล้วกัน และถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่จะติดต่อกักบทางรายการนั้นก็สามารถติดต่อกันได้2ช่องทางโดยการที่เขียนจดหมายหรือว่าไปรษญียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนหายโศกอํเอาเภอนงหายจังหวัดอุดรธา น, นีหรือว่าใช้ทางคอมพิวเตอร์ก็ไปที่เว็บไซต์ P ม com p u r e d h a m m a กไปตรงที่ให้ส่งคาถามหรือข้อความ ก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้ทันทีข้อความที่ส่งมาจดหมายที่เขียนมานั้นขับพเจ้าก็จะอ่านทุกฉบับนํามาพูดคุยในรายการได้ก็จะนํามาพูดคุยกันวันนี้ก็จะนําเอาเรื่องราวเป็นพระสูตรที่บูชาได้ตรัสสนทนานนกับบุคคลสองคนคือชลินชื่อเกนิยะชลินกับเสลปรามใ น, นพระสูตรนี้บทสนทนานี้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล ที่อังคุตระประเทศนะคือสมัยปัจจุบันนี้ก็จะอยู่ที่ระหว่างเมืองกากลกะตากับพุทธคยานะระหว่าง2จุดนี้นะบริเวณนั้นเนี่ยก็เรียกว่าอังคุตระชนบทตอนนั้นพระเจ้าก็เสด็จไปที่เมืองที่เรียกว่าอาปะนะพร้อมกับพิกษุดหนึ่งพัรูปซึ่งก็มีคำอธิบายว่าพิกษุดหนึ่งพรบรูปเนี่ยเป็นพระอาาราันทั้งหมดนะพระเจ้าวบวชให้ทั้งหมดอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็น ชุดเดียว ก, กันกับที่แสดงโอวาทปาติโมกหรือเปล่าในวันมาคบูชาที่ผ่านม า, นาอาจจะเป็นก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ได้อธิบายเอาไว้แต่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าจํานวน1250รูปในเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดแล้วก็พระพุทธเจ้บาบ้ด้วยไปแล้วยังไงไปแล้วก็ไปพบชลิ น, นที่ชื่อว่าเกนิยะในเกนิยะชลินนี้ได้ฟังขา่าวมาว่าพระพุทธเจ้านี้ มีสัมมาสัมพุทธอุบัติขึ้นละได้ยินข่าวมาอย่างนี้ก็คงจะเป็นช่วงต้นๆของสมัยพุทธกาลก็เป็นได้แล้วก็พอได้ยินแล้วก็เข้าไปหาฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็ได้มีความแจ่มชัดมีความอาจหารมีความร่าเริงในธรรมกถาคือชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าที่กขะจรยกระจายไปเนี่ยเราก็คงจะได้ยินกันอยู่นะเหมือนกับบทสวดอิติปิโสนี่แหละคืออันเดียวกันเลย ในอิติปิโสพระกวาอารังสมาสมัมพุทธธนี่ย่อๆยาวไปอีกก็ประมาณสักหนึ่งย่อหน้านะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์นเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้โดยตนเองะมีความแจมแจ้งมีความแตกฉานในธรรมะมีความรู้ละเอียดรอบคอบสา ม, มารถเป็นครูที่ฝึกสอนของคนอื่นได้ะรู้เรื่องราวเหล่านี้พอในเกณิญญฉลินเนชลินนี่ก็คือลักษณะของฤุสีฤุสีชื่อเกณิญญนี้ ก็ได้เข้าไปหาพระเจ้าได้ฟังธรรมณพอได้ฟังธรรมแล้วมีความแจ่มแจ้งในธรรมะมีความอาถหาพ์มีความศรัทธาร่าเริงแจำสายละก็จะทูลนิ ม, มนต์พระเจ้าให้มารับปรทนอาหารที่สํานักของตัวเองที่บ้านของตัวเองไว้อย่างนั้นพระเจ้าก็ไม่รับคือไม่รับเนี่ยก็ไม่ถึงว่าจะไม่ไปแต่พูดว่าพระเนี่ยมีต้องร้อยรูปแต่ท่านก็เลื่อมใสในพ ร, รามทั้งหลายนั่พูดถักษณะนี้ครั้งที่1 เกเนียชลินก่อนนิมนต์ครั้งที่สพระเจ้าก็พูดอย่างนี้อีกครั้งที่2องจนกระทั่งเกเนียชลินเนี่ยนิมนต์สครั้งในครั้งที่3พระเจ้าก็นิ่งนั่นก็คือรับนิมนต์โดยโด้วยความนิ่งทีนี้ทําไมต้องนิมนต์ทั้ง3ารอบทำไมรอบแรกปุ๊บก็ไม่ไม่ไปเลยเหมือนกับที่หลายๆคนหลายท่านไม่ว่าจะเป็นพระเาเปร์เซนที่โกศลพระเจ้าพิมพิสารนิมนต์พระเจ้าไปฉนอาหารที่ในวังต่างต่างเนี่ย ก็ครั้งเดียวก็ไปแต่ทำไมต้อง3ครั้งสำหรับเกเนียชลิน น, นี้ก็มีความเห็นต่างๆนานาในที่นี้บางคนก็จะมีความเห็นว่านายเกเนียชลินเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะมีเงินทองไม่มาก1 2น0รูปอาจจะเลี้ยงไม่ไหวแต่ความเห็นนี้อาจจะตกไปเพราะว่าจริงๆแล้วเกเนียชลินนี้ร่ำรวยมากนะมีคําอธิบายถึงความเป็นอยู่ของเกเนียชลินนะความชีวิตความเป็นอยู่ความที่เขามีบุญมี ซัพ์มากมีโปรกมากมีคําอธิบายอีกอันหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นไปได้มากกว่าในเรื่องของเสรลักสูตรเนี่ยเป็นบทตัวละครที่สําคัญในในบทสนทนา น, นี้ก็คือเสลีปรามนะซึ่งเสลีปรามเนี่ยจะมาหาพระเจ้าในในตอนเย็นวันนั้นแล้วก็จะทูลขอเป็นประชาในะรุ่งเช้าก็จะมีพระจํานวน1250รูปบวกกับเสลีปรามหนึ่งรูปบวกกับสหายของเขาอีก300คน รวมทั้งหมดก็ต้องเป็น 1,551 รูปนะพระนะ 1,551 รารูปถ้าเกนิอัสชลินเตรียมาหารไว้ 1,250 นะอีก301รยรูปก็ต้องไปบินตาบาทที่อื่นใช่ทีนี้พอชาวบ้านแถวนั้นเห็นก็เลยคิดว่าอา้าวเกนิอชลินนาันานั้นจะนิมนต์พระูชาวกับสาวกสะทีทำไมไม่รู้จักนิมนต์ให้มันพอสมกับฐานะของตัวเองนะชาวบ้านก็อาจจะกระหาได้ในะด้วยความคิด ของสมมาสัมพุทธเจ้าอธัธยาศัยแบบนี้พระุทเจ้าก็จึงปฏิเสธถึง2ครั้งด้วยกันอันนี้เป็นความเห็นอีกฝ่ายหนึง่งที่เขามีความเห็นกันมาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไก็ตามซึ่งอันนี้เป็นอัธยาศัยของพ ร, ระรุทเจ้าแหละแต่พระุทเจ้าก็รับในครั้งที่3ามหลังจากที่นายเกเนียชลินนั้นดีใจละนจะได้ทําบุญใหญ่ในวันรุ่งขึ้นก็กลับไปเตรียมอาหารในการเตรียมอาหารของเกเนียชลินยนั้นก็ทําด้วยมือตัวเอง เรียมพวกบริวารมาเตรียมการเตรียมงานต่างๆน่จัดทากันอย่างด้วยความขวนขวายด้วยกําลังกายกเตรียมการอย่างดีในสมัยนั้นก็มีพราหมณ์ที่ชื่อวเศลพราหมนี่แหละที่เป็นชื่อของพระสูตรนี้เศลพรามนั้นก็อยู่ในบริเวณแถวนั้นด้วยในเมืองที่ชื่ออาปณะนี่แหละเป็นผู้ที่มีความรู้มา ก, กเรียนคัมภียไตรเพศจบทั้งหมดหของพรามณเก็จะมีคัมภียอะไรคัมภียอะไรเนี่ย เซละรามนี่ก็เรียนรู้ทั้งหมดนะเข้าใจทั้งเรื่องคำศัพท์เรื่องความหมายนะความลึกซึ้งในโลกายตนะคำพีของปรามคำพีอะไรต่างๆก็รู้เรื่องหมดรู้จักตำราในการทายทักนะการดูดวงการผูกดวงการกำหนดเลิก ง, ง, งามยามดีอะไรต่างๆเขาเป็นหน้าที่ของปรามนี่เขาทราบดีหมดตลอดในขณะนั้นเซละปรามนี่ก็ด้วยความรู้ของตัวเองใช่มก็เหมือนกับเป็นอาจารย์สอน ในสมัยนั้นก็มีพวกคนหนุ่มที่เหมือนกับเป็นผู้ฝึกหัดผู้สอนมาเรียนความรู้กับเซลัรามอยู่ประมาณ300คนเขาก็ใช้กันเรียกว่ามานพบก็คือคนหนุ่มที่มาเรียนมารู้เรื่องราวต่างๆมานพบส0มคนนี้ในพร้อมด้วยเซลัรามเป็น3 0มรคนเนี่ยก็อยู่บริเวณนั้นนะที่เดินไปทางนั้นทางนี้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจก็ได้ผ่านไปทางอาสมของเกเนียชลินแล้วก็เห็นอุ้ยบางคนนี่ ทำงานอะไรกันผ่าฟืนอะไรกันล้างภาชนะตั้งหม้อน้ำปูอัสนะอะไรต่างพยันขันแข็งเตรียมงานเหมือนมีการจัดงานอะไรอย่างใหญ่หลวงอยู่เซลผาลามก็ถามเกเนียชลินบอกโหนี่จะจัดงานอะไรกันเนี่ยนะมีพระราชาจะมาหรือว่าจะมีงานอะไรที่ใหญ่โตรหรือเปล่าแตนะเกเนียชลินก็บอกไม่ใช่เหล่านั้นแต่เพราะว่าจะทําการบูชานะเกเนียชลินว่าจะทําการบูชามหาหยัน ซึ่งในความหมายของเขาก็คือนิมนต์พระมาฉันที่บ้านนั่นแหะในความเห็นข้าพเจ้าคิดว่ายังเป็นช่วงต้นสมัยพุทธกาลอยู่เนะซึ่งประเพณีอะไรอย่างต่างๆที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันเนี่ยสมัยนั้นก็ยิ่งพึ่งพ่งจะเริ่มต้นในะการใช้ศัพท์แะไรต่างๆก็จะเท้าวความไปถึงประเพณีที่ทํามาสมัยเดิมนั่นคือลักษณะของการบูชายัญและซึ่งในที่นี้ก็คือแค่นิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันทิบ้านเนะพ่อพูดอย่างนี้เนะว่าจะนิมนต์ สมณครโ -dom นำมารับปทานอธิบานพร้อมกับภิกษุ1250งรูปในโดยสมณคโคดมเนี่ยในเกณิญชลินก็อธิบายว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะนะเป็นพระอรหันต์นะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเป็นผู้ไกลจากกิเลสนะเป็นผู้ที่สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าแต่เป็นครูผู้สอเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจาเริญจำแนกธรรมออกสังสอนสัตว์นั่นคือพูดอิติปิโสปัจบาลนั่นเลย นะพอเสลพรามเนี่ยได้ยินกับมาสัมมาสัมพุทธเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธเป็นพุทธเป็นพุทโธเ น, นี่ยก็ถามย้ํากับเกียรติยาชนินว่าพุทธะอย่างงั้นเหรอพุทโธอย่างนั้นเหร อ, อ, หรอถึงสมรอบทําไมถึงต้องถามทั้งสามรอบให้มันยืนยันกันแน่ใจว่าเป็นพุทธพุทโธแน่ใจหรือเปล่านะเพราะว่าเซระพรามเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องคมภีร์ทํานายลักษณะอย่างมาก นะซึ่งเหมือนกับอัญญาโกตัญญานะอัญญาโกตัญญาตอนนั้นโพธิสัตว์พึ่งคลอดออกมาจากขันมารดาในะตอนนั้นพระุทเจ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะพระเจ้าเนี่ยยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เป็นเจ้าชายสินตะตพึ่งคลอดออกมาอุแวะอุแวะเนี่ยนะอยู่แค่7วันในช่วง7วันแรกเนี่ยอัญญาโกตัญญะผู้ทึ่เป็นพราหมณ์ตอนนั้นแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องลักษณะเหมือนกันก็ยังรู้เรื่องของมหาปุริสัตลักษณะ32ประการ นว่าถ้าใครมีมหาปุริสสลักษณะ 3- 2ประการเนี่ยจะมีแค่2ทางเท่านั้นที่บุคคล น, นี้จะเป็นไปได้น่ะก็หนถ้าเป็นกราวาสน่ะก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิน่ะประกอบด้วยแก้ว7ประการซึ่งแก้วเจประการสมัยนั้นคนที่เกิดในสมัยนั้นยังไม่ได้มีใครเคยเห็นแน่นอนว่าอีช้างแก้เป็นยังไงม้าแก้เป็นยังไงจักแก้วเป็นยังไงน่ะก็อาจจะแบบมีคนทําเรียนแบบอะไรต่างๆขึ้นมาแต่ของจริงไม่เคยเห็นนะแตม่มีเขียนอยู่ในตำราท่านนั่นเอง พูดถึงคนที้มีลักษณะมหาบุริษ3มยองประการหรือ2แลถ้าใครมีลักษณะ 3-2 ประการนี้แตนะ่สิ่งที่จะเป็นไปได้อย่างที่สองคือเป็นสัมมาสัมพุทธโธว่าอย่างนั้นแตนะซึ่งชื่อเหล่านี้แตนะ่พระเจ้ า, จ, าจักรพรรดิรัตนะทั้ง7สัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธโธเนี่ยปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของพราหมณ์มาแต่นานแล้วมาตั้งแต่ก่อนที่พระรูชาตรัสรุปแต่ตอนที่พระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เรื่องนี้ยืนยันได้ตั้ง คือตอนที่อัญญาโกตัญญาเนี่ยได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาตอนที่พระเจ้ายังเป็นโพธิสัตว์เป็นเด็กเป็นทารกอยู่ในที่นั้นที่เมืองกุบิลปัตรทําให้เซลพรรมผู้ที่มีความรู้ในลักษณะนี้เหมือนกันไหนได้ยินคําว่าพุโทโธเนี่ยจึงต้องถามยังไม่มั่นใจว่ามันมีจริงๆแล้วหรือตอนนี้ไหนะมีจริงๆแน่ใจหรือเปล่าคนที่เป็นสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยเพราะว่าตัวเองเรียนความรู้มา เราก็ยังไม่เคยเห็นใครที่จะมีลักษณะมหาบุรุษ 3-2 มอยรการแบบนี้นะเช่นว่ามีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนละมุนมีแข้งดุจแข้งเนื้อทรายยืนตัวไม่ต้องย่อลงแตะขา่าด้วยมือทั้งสองเนี่ยนะหรือมีกายตรงดุจกายพรมนะมีอุณารมวางคิ้วขาวอ่อนดุจสัมฤตนะมีตาสีเขียวมีฟัน44เป็นต้นแลนะยังไม่เคยเห็นนะที่จะมีพร้อมหมดอยู่ในบุคคลคนเดียวกันคนแบบนี้จะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงเนะนื้อไม่ออก แต่พอแค่ได้ยินเสียงว่าพุโทโธเท่านั้นน่ะโอ้โหนึกถึงไปว่าโอ้โหสาประการมันจะเป็นยังไงเนะจึงถามย้ำให้แน่ใจว่าที่ตัวเองได้ยินเนี่ยมันไม่ผิดนะมันไม่ผิดเลยทําให้ระลึกถึงว่าถ้าคนที่จะเป็นพุโทโธได้เนี่ยเป็นพุท ธ, ธะได้เนี่ยต้องมีลักษณะ32ประการแล้วตัวเองก็ไม่เคยเห็นไอ้พวกรัตนะทั้ง7นะี่ยคือจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้ว นางแก้วก็แบบบดีแก้วบรินายกแก้วซึ่งท่านผู้ฟังลองลองคิดดูนะว่าในสมัยที่พุะเจ้าเพิ่งตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยก็ไม่มีราชาใดที่จะปกครองได้ยิ่งใหญ่มาก่อนแต่เพดัะนั้นไอ้เรื่องความยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแก้วมณีหรือว่าแม้แต่นางแก้วคนที่สวยงามมากกว่ามนุษย์อื่นๆอย่างเงี้ยแต่ว่าสวยงามไม่ถึงขนาดเป็นเทวดาถึงวิวพันทิพย์อย่างเงี้ยก็ยังไม่ปรากฏเห็นแต่ตัวเองไม่เคยเห็น ก็เลยทําให้ถึงมีความ เ, าเขาเรียกว่ากระตือรือร้นในการที่จะไปไปดูให้ได้นะหรือแม้แต่พระเจ้าจักรพรรดิที่จะปกครองแผ่นดินนะที่มีขอบเขตจรส์มาหาสมุทรทั้งสี่โดยไม่ต้องใช้อาทยาโดยไม่ต้องใช้ศาสตราเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นยังไม่เคยได้มีประสบการณ์ในลักษณะนั้นก็จึงมีความกระตือรือร้นว่าแมมต้องการเห็นต้องการเจอต้องการพบแล้วนะจึงถามานายเกนยสเชลินว่า อยู่ที่ไหนไหนที่ว่าพุทธโธพุทธโธของท่านเนี่ยอยู่ที่ไหนสัมมาสมัมพุทธะนั่นนะ่ะอยู่ที่ไหนในเกณยิยาชลินก็บอกอยู่ตรงนู้นอยู่ราวป่าตรงนั้นพอเรียบร้อยนะรับทราบข้อมูลแล้วว่าเป็นพุทธโธพุทโธนั้นไล่เรียงความคิดในตัวเองแล้วก็บอกกับมานพสามร้อ300คนที่เป็นลูกศิษย์ของตัวเองนั่นแหละเอาละเราจะไปหาพระพุทธาทีนี้พอรับทราบข้อมูลต่างๆจากเกณยิยาชลินละ ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยก็เตรียมการจะไปลนะการเตรียมการท่านผู้ฟังลอ ง, ลองพิจารณาตามคือหมายความว่าถ้าเรามีความกระตือรือร้นในการที่จะไปพบใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยจิตใจมันก็ห้าวหาญจำสาสนะนะจะไปพบลนะก็ต้องเตรียมการในการไปของตัวเองนะซึ่งการเตรียมการของเสล ร, ราบามนะกับพวกมานพทั้งสา0รคนเนี่ยก็คือว่าเวลาไปเนี่ยให้เดินเว้นระยะห่างกันนะอย่าไปเป็น กลุ่มก้อนเดียวกันห่างกันพอสมควรแล้วก็เดินไปเหมือนไปคนเดีย ว, วก็เงียบเสียงในเวลาที่ฉันพูดพวกเธอก็อยา่าพูดแทรกเตรียมเป็นลักษณะนี้ทําไมถึงต้องเตรียมกันอย่างนั้นเนะื่เพราะว่าในการเหมือนอย่างราชสีนี่ถ้าเขาอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนนะเช่นว่าแม่อยู่กับลูกเสือใช่ไหมลูกเสือมันยังเด็กอยู่มันก็จะมีความประมานะททําให้คหนอื่นต้องมาคอยดูแลนะซึ่งถ้า เราไปคนเดียวแบบราชสีไปผู้เดียวเนี่ยจะมีความไม่ประมาทจะมีความระมัดระวังในการก้าวย่างมีความระมัดระวังมีตาดุดราชสีนะซึ่งเป็นความไม่ประมาทนะก็ให้ลูกศิษย์ของตัวเองพร้มอมกับตัวเองเนี่ยเดินทางไปในลักษณะนั้นนะไม่ต้องระวังใครระวังตัวเองให้มั่นคงมั่นใจไม่ต้องไปเป็นหมู่แต่ให้ไปเหมือนลักษณะไปคนเดียวนะเพื่อความที่จะไม่ประมาทนั่นเองเนะี่ยเพื่อความที่จะระมัดระวังจิตใจของตัวเองให้ดีนะพอไปถึง นะใบถึงไดไงแล้วก็กล่าวสวัสดีปราศัยอะไรกันพอสมควรแล้วก็สังเกตสินี้ลักษณะมหาบุรุษ32ประการในครั้งหนึ่งนะท่านบตัวเองเนี่ยคือเสรลพราม์เนี่ยศึกษาเรื่องตำราดูลักษณะตำราไทายทักดูดวงอะไรต่างๆนะมาหมดจดจำได้ขึ้นใจลนะจนกระทั่องอยู่ในฐานะของอาจารย์ผู้สอนละก็ไม่เคยเห็นใครที่จะมีลักษณะ32ประการนี้อยู่ในคนคนเดียว นะไม่งั้นบุคคล น, นั้นก็จะต้องเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะหรือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วซึ่งสมัยก่อนนั้นตอนที่เสละพราหม่มีความรู้อยู่นั้นยังไม่มีใครปรากฏว่าเอ่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนะที่มีรัตนเจหรือเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะจนกระทั่งได้ยินจากเกณิยาเชลินตระหนินเงเพื่อความมั่นใจว่าคนนี้เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะแน่เปรียบเทียบกับความรู้ที่ตัวเองมีมาก็จึงต้องสังเกตลักษณะ3 2มประการนี้ให้มันหมดจดนะตั้งแต่อะไรบ้าง หนาะมีฝ่าเท้าหนาะที่เป็นจักเกิดขึนหนาะฝ่าเท้าเป็นยังไงนอกจากมีจักแสดงว่าพระเจาต้องนั่งในลักษณะที่ให้เห็นฝ่าเท้านิดหนึ่งหนาะจะไม่เห็นเต็มฝ่าเท้าหนาะแต่ต้องเห็นแหะว่ามันมีจักเกิดขึ้นมีซี่ตั้งบันพร้อมด้วยกงและดุมหนาะพื้นเท้าก็ต้องสม่ำเสมอส้นเท้าต้องยาวข้อนิ้วยาวพวกนี้พอสังเกตได้หนาะฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนละมุนนะ่าซึ่งพระเจ้าถ้าปกตินั่งในท่าคัศมาธิในะลักษณะอย่างนั้นก็คงจะปรากฏให้เห็นบ้าง แข้งเอ่ยข้อเท้าอยู่สูงอะไรต่างๆวันนี้การยืนไม่ย่อตัวลงแต่ข่าได้ดูมือทั้งสองแตก็คิดว่าตรัมพุช้านั่งอยู่ก็คงไม่ได้ยืนให้ดูแต่เสระพราม์ก็คงจะกะเกณจากลักษณะของร่างกายนะความยาวของแขนความยาวของขาตรงนี้นะจึงทำให้เขาอนุมานได้ว่าคงจะต้องมีลักษณะข้อนี้นะมีขนคุมและเส้นพวกนี้ก็จะเห็นได้อยู่ในะปลายขนช้อนขึ้น มีเนื้อนูนนาในที่7แห่งมีหลังเต็มไม่มีร่องหลังตรงที่ก็ไม่รู้ไปเห็นได้ยังไงแต่ก็คงจะดูจากระหว่างไหล่หนึน่งะว่าถ้าระหว่างไหลเนี่ยถ้ามันจะเริ่มเป็นร่องหลังลงไปเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่มีก็คงจะพออนุมานได้ว่าหลังลงไปทั้งหมดก็ไม่มีร่อง่นะมีกายข้างหน้าดุจราชสนะีมีส่วนทรงดังต้นไทรคอกลมเกลี้ยงหรือแม้แต่เรื่องเสียงก็ได้ฟังเสียงจากการทักทายละก็มีความมั่นใจละนะตาก็เห็นได้ว่า มีสีอะไรนะมีสีเขียวสนิทในเป็นลนักษณะของมหาบรุษนะฟันก็เรียบเสมอการสีขาวงามในะมีเขี้ยวใหญ่เวลาพูดก็สังเกตฟันเขาไปด้วยนะก็ทําให้มีความมั่นใจในในข้อต่างๆเหล่านี้นะมีอันหนึ่งที่ข้าพเจ้าก็ตั้งความสงสัยไว้เหมือนกันว่าที่ว่ามีฟัน4ี่บริบูรณ์มหาบุรุษเนี่ยนะเสียรพราหมณ์ไปรู้ได้ยังไงนะหรือว่าขณะที่พระเจ้าเปิดพระโอษฐ์ก็ยังขยับปากที่จะพูดอยู่เนี่ยก็สังเกตเข้าไปลึกถึง ก็เดือกข้างในเลยฟันซี่สุดท้ายว่ามีกี่ซี่กันแน่แต่เซระามก็คงจะต้องมีความรู้ในการที่จะสังเกตในลักษณะนนั้นได้พอสมควรแต่ซึ่งนี้ครัพเจ้าตั้งข้อสังเกตไว้ตั้งแต่ตอนที่อัญญาโกตัญญะเนี่ยดูโพธิสัตว์เจ้าชายสินทะะตัวน้อยที่เพิ่งคลอดออกมาเนี่ยว่ามีฟัน4ีบริบูรณ์เด็กขนาดนั้นก็คงยังไม่มีฟันครบ44่ส่หรือมั้งแต่อย่างไรก็ตาม น, นี้เป็นลักษณะมหาปุริสัตร์ลักษณะของมหาบุรุษ นะมีอยู่สองข้อที่เสรระปรามไม่รูนะ้ไม่สามารถสังเกตได้มีองคชาตตั้งอยู่ในฝักนะองค์ชาติก็คือหมายถึงอวัยวะในที่ลับนะคืออวัยวะเพศนั่นแหละนะซ่อนอยู่ในฝักแล้วก็ความที่มีลิ้นยาวนะลิ้นยาวออกมานะสามารถปิดหน้าผากได้ l e n งต่างไดนะ้ซึ่งข้อนี้ไม่เห็นพรนะพุทธเจ้าก็เลยแสดงให้ดูนะทําเป็นนิมิตให้ดูในเรื่องของการที่มีองค์ชาติตั้งอยู่ในฝักนะแสดงให้ดูว่าลิ้นยาวอย่างไร แต่ถ้าไม่มีเสรรพรามเนี่ยมีความมั่นใจนะัที่ทําให้ดูเนี่ยเพื่อให้คลายความเคลือบแขลงคลายความระแวงคลายความเห็นแย้งคลายความสงสัยให้ถึงความมั่นใจให้ถึงความเลื่อมใสให้ถึงความตั้งมั่นว่านี่แหละคือสัมมาสัมพุทธะตามตำราที่ท่านได้ศึกษา ม, มาแน่นอนนะคือเพราะว่าลักษณะ 3-2 ประการทั้งหมดเนี่ยแหมมันได้แล้ว30ประการเอาแค่ว่า30ประการที่เห็นนี่ก็ ยากแล้วที่จะเห็นใครมีลักษณะแบบนี้นะในสมัยพุทธกาลก็อาจจะมีบางคนที่มีลักษณะ5้าอย่างนี้แตนะ่แต่ก็ไม่ได้เคยเห็นใครที่จะมี32ประการครบถ้วน30ประการก็ไม่ต้องพูดละไม่เห็นละแต่มันยังคาใจอยู่นิดนึงนะก็เลยให้มันเคลียร์ซะให้มันหายสงสัยซะให้มันพอใจซะครูเจ้าก็จึงทําให้ดูโนะดยการทําเป็นนิมิตให้เสรลระปรามนั้นเห็นนะพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บโอ้นี่ สามสิบสองประการจริงไว้ต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแน่หรือไม่ก็เป็นสัมมาสมัมพุทธะแน่เฮ้ hey, แต่ทําไมไม่ไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจากแก้วอยู่ที่นันเราก็ไม่เคยเห็นหนาะช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วปริยนยกแก้วเครือบรรดีแก้วพวกนี้ไม่เคยเห็นทําไมไม่ไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เลยชงคำถามถามแล้ว น, นี่หนะถามด้วยคําที่ผูกเป็นคาถาหนาะถามก็ไม่ได้ถามธรรมดาถามเป็นคํากรอนนาะไม่ได้พูดเป็นธรรมดาแต่แต่งเป็นรอยแก้ว าถามาถามไปพระเจ้าก็ตอบเป็นร้อยแก้วอีกนั่นแหะ ว, ว่าพระองค์เนี่ยเป็นสัมมาสมัมพุทธะนะเป็นราชาเป็นธรรมราชานะพอพูดถึงราชาแล้วก็ต้องมีเหล่ากษัตริย์มีเสนาบาดีมีข้าราชการต่างๆแล้วนั้นเสนรละพรามณ์ก็เลยถามเอาลใครเป็นเสนาบาดีของพระองค์นะพระเจ้าก็เลยได้ตรัสถึงท่านพระสารีบุตรแต่นะว่าสารีบุตรเนี่ยเป็นธรรมเรรมสนาบาดีของเรานะซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าตรงนั้นในที่นั้น ท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็จะต้องอยู่ด้วยแน่เราถึงได้ตรัสถึงท่านเน่อนะเพื่อที่จะยืนยันว่ากับเสยระพราหมะเนี่ยสารีบุตรอยู่นี่เนะ่ยเป็นธรรมมานาบดีของเราเนะ่ยเป็นเสนาบดีของเราผู้เป็นธรรมราชาทีนี้บางคนอาจจะมีความสงสัยว่าอา้าวแล้วใครเป็นกษัตริยนะ์น่ยที่เป็นเมืองออกแต่นะคือพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะดูแลกษัตริย์อีกทีหนึง่งนะเรากษัตริย์ตามหัวเมืองต่างต่านะคือกษัตริย์นี่แค่ปกครองประเทศแต่พระเจ้าจักรพรรดินะี่ปกครองกษัตริย์ที่ปกครองประเทศนั้นอีกทีหนึ่ง แต่ซ่พระองค์เป็นพระเจ้าจะกล่าวว่าเป็นธรรมราชาเนี่ยก็ต้องปกครองอะไรล่ะนั่นก็คือปกครองธรรมะ น, นั่นเองเหล่ากษัตริย์ต่างๆก็คือเปรียบเหมือนกับธรรมะ น, นั่นเองเช่นโพชงเจ็ดนะมักมีองค์แอิทิบาสสี่พวกนี้เป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าปกครองและบริหารจัด ก, การให้เป็นไปโดยธรรมและโดยมีท่านพระสารีบุตรเป็นเสนาบดีว่าอย่างนั้นข้าพเจ้าตั้งข้อสังเกตในที่นี้ท่านผู้ฟังนะว่าเจรพระรามเนี่ยศึกษาความรู้ต่างๆม า, มามากมาย นะเรียนรู้จบคำภีทั้งสามแล้วบ้านเมืองอะไรต่างๆก็ไปเห็นไปดูว่ามีความรู้มากมายแต่ว่าไม่เคยเห็นสัมมาสัมพุทธนะการได้เห็นตรงเนี้ยเป็นการได้เห็นที่ยอดเยี่ยมก็เรียกว่าทัศนานุตรยะสิ่งนั้นได้เกิดกับเสละพรนะการได้ฟังนะได้ฟังเขาก็เรียนมาเยอะท่องมนอะไรต่างๆก็ได้และไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้ยินธรรมะ แต่พอได้ฟังได้ยินธรรมะของรุจ่าที่เป็นไปเพื่อความหน่ายทุกความคลายกําหนัดความดับความระงับความรืงง่น ค, ความรู้ความนิพพานเนี่ยมันเป็นการได้ฟังอันยอดเยี่ยมนะก็เป็นสัมนานุตริยะ2 อ, อย่างแล้วนะความยอดเยี่ยมสองอย่างได้ปรากฏขึ้นในใจของเสยละพราหมอีกอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือได้ศรัทธาแต่ตัวเองอาจจะได้เคยลาบได้ลาบต่างๆได้ยศมีคนยกย่องสรรเสริญมีชื่อเสียงเกีรยรติยศต่างๆแต่ว่าไม่เคยได้ศรัทธา นะการได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือในสาวกของพระพุทธเจ้าการได้ศรัทธาตรงนี้เขารเรียกว่าลาภานุตรยะคือการได้อันยอดเยี่ยมนะซึ่งได้ปรากฏแกเ่เซระพราหมในที่นั้นจึงมีความมั่นใจนะจึงมีความยอดเยี่ยมเกิดขึ้นในใจก็เลยขอบวชทีนะี้ขอบวชในเย็นวันนั้นในวันนั้นนั่นเองแล้วก็บอกกับพวกมนพสามร้อคนว่าอาจจะบวชก็ได้นะ้บวตตามก็บวชนะซึ่งถ้าไม่บวชก็ไปตามทางของท่านเถอนะฉันจะบวช นะซึ่งทั้งหมด301คนในที่นั้นก็บวชในที่นั้นนะจึงรวมเป็นภิกษุ 1,551 รูปในอยู่ในที่นั้นตอนเช้าเนี่ยมันรุ่งขึ้นแล้วก็ไปฉันที่บ้านของเกนยาชลินที่นำเรื่องเซลัรามมาเล่าให้ตัมบูหวังฟังเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราเรียนรู้ความรู้เราเที่ยวไปดูที่นั่นที่นี่อะไรต่างๆนานานะมามากแล้ว ในแต่เรามไม่เคยเห็นได้รู้หรือได้ยินได้พบเจอสิ่งที่มันยอดเยี่ยมไปกว่าสิ่งที่เราได้เคยเรียนมารู้มาตัวข้าพเจ้าเองเป็นตัวอย่างดีๆเราก็มีความรู้ต่างๆมากมายแต่มาจบที่นี่มาจบที่คําสอนของพระเจ้ามาจบที่ความยอดเยี่ยมอั น, นี้ไม่ใช่เฉพาะในปัจจุบันนี้แม้แต่ในสมัยพุทธกาลเซลลาพรามเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมที่ได้เห็นความยอดเยี่ยมในหลายๆอย่างในอนุตรยะ นะ่ยคือความยอดเยี่ยม6อย่างนะี่ยได้เห็นแน่นอน3มอย่างได้พบปะเจอเจอกับตัวเองแน่นอนนะี่ยจึงทาให้เกิดความมั่นใจเกิดความรักความครบในบริจามีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวมีศรัทธาตั้งมั่นนะี่ยจึงให้ถึงกัดออกบวชเนะีแล้วภายใน7วันเนะีราตรีขึ้นวันที่8ก็ได้บรรลุปเป็นป ร, รารันเะนี่ยทำความเพียย่ยนอยู่หลีกเล่อยู่ในวันก่อนก่อนแต่วันนี้ข้าพเจ้าพระภัยบุญอภิบุญโน จากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เช่นพอด